ทัพพย า, ยานและมัคคามัคคยานทัศนวิสุทธิผู้ที่บรร ล, ลุสมัสนายญนสามารถรู้เห็นพระไตยลักษณ์ของรูปนามในปัจจุบันโดยประจักษ์และอนุมานรูปพระตายลักษณ์ของรูปนามอื่นได้โดยไม่ต้องจดจ้องมากนักในลำดับนั้นวิปัสสนุเปกขาคือความวางเฉยด้วยเห็นแจ้งประจักษ์ ในความเกิดขึ้นและดับไปอันเป็นเบื้องต้นที่สุดของรูปนามในปัจจุบันขณะย่อมเกิดขึ้นวิปัสสนุปเปขาดังกล่าวได้ชื่อว่าอุทพยายานคือปัญญารู้เห็นเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามปัจจุบันดังคัมภีร์วิสุทธิมรักอธิบายลักษณะของวิปัสสนุเปคาว่าหนึ่ง อุเบกขาคือความเป็นกลางในการพิจารณาซึ่งปรากฏอย่างนี้ว่าขันห้าใดมีอยู่ปรากฏอยู่ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมละขันห้านั้นย่อมได้อุเบกขาอุเบกขานี้ชื่อว่าวิปัสสนุเปกขา 2. อ, อุเบกขาทั้งสองนั้นคือวิปัสสนุเปกขาและสังขารุเปกขาเป็นปัญญานั้นเทียว ต่างกันโดยหน้าที่แบ่งเป็นสองอย่าง 3. เปรียบเหมือนบุรุษถือไม้ท้ารูปกีบแพะแล้วค้นหางูที่เลื้อยเข้าไปในเรือนเวลาเย็นพบงูนั้นซ่อนอยู่ในลังแกรบใคร่ครวญอยู่ว่าจะเป็นงูหรือไม่ใช่คลั้นเห็นลายดอกจันสามแฉกแล้วก็หมดสงสยัยหลังจากนั้นย่อมเกิดความเป็นกลาง ในการพิจารณาว่าจะเป็นงูหรือไม่ใช่งูฉันใด 4. เมื่อผู้ปรารภวิปัสนาเห็นประจัก์ลักษณะทั้งสด้วยวิปัสนาญาแล้วความวางเฉยในการพิจารณาความไม่เที่ยงเป็นต้นของสังขารย่อมเกิดขึ้นฉันนั้น 5. ความวางเฉยนี้ชื่อว่าวิปัสนนเปกขา ในเบื้องแรกของการปฏิบัติมักไม่สามารถรู้เห็นได้ว่ารูปนามปัจจุบันไม่เที่ยงเป็นทุกข์และไม่ใช่ตัวตนซึ่งเกิดความยินดีพอใจขันว่าเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวตนแต่เมื่อวิปัสสนาญาณมีกำลังในระดับสัมมสนาญาณแล้วเขาย่อมเห็นประจักรูปนามปัจจุบันว่าอยู่ในกฎของพระไตรลักษณ์ได้โดยไม่ยากนะัก ในขณะนั้นความยินดีพอใจขันว่าเที่ยงเป็นสุกเป็นตัวตนย่อมอันตรธานไปต่อจากนั้นเขาย่อมรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามพร้อมด้วยความทุกข์และไม่ใช่ตัวตนการรู้เห็นพระไตร ล, ลักษณ์ในระดับอุทภพยายานี้เป็นการสละความยินดีพอใจขันว่าเที่ยงเป็นตน้นและยังเป็นการปล่อยวางขันอีกด้วย จึงจัดเป็นอุเบกขาอย่างหนึ่งที่ชื่อว่าวิปัสสนุเบกขาตามลําดับยานนับในอุทภพยาญานที่เป็นปัญญารู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนผุดขึ้นแล้วดับไปสลายไปทันทีหรือเหมือนสะเก็ดไฟดับวูบไปดังคมภีปฏิสัมพิามักกล่าวว่า ปัญญาในการรู้เห็นความแปรปรวนของสภาวธรรมปัจจุบันชื่อว่าปัญญารู้เห็นความเกิดดับ 1. รูปที่กาลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบัน 2. ลักษณะเกิดขึ้นของรูปปัจจุบันนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้น 3. ลักษณะความแปรปรวนชื่อว่าความดับไป 4. การรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไป ชื่อว่าอุทธพ ย, ายาัญาณในคำพีมหาดีกาของวิสุทธิมรักอธิบายเรื่องนี้ว่าพึงกระทาความใส่ใจในการรู้เห็นความเกิดดับของสภาวาธรรมที่เป็นสันตติปัจจุบันหรือขณะปัจจุบันไม่พึงกระทาความใส่ใจการรู้เห็นความเกิดดับของสภาวาธรรมที่เป็นอดีตหรืออนาคตฉะนั้น ท่านจึงกล่าวว่าคำว่าชาตังแปลว่ารูปที่กําลังเกิดขึ้นหมายความว่ากําลังปรากฏสภาวะของตนสองขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบันเป็นรูปที่นับเข้าในขณะทั้งสามอันกําลังเกิดขึ้นอยู่สามแต่บุคคลกําหนดรู้รูปดังกล่าวได้ยากในเบื้องต้นดังนั้น จึงควรกระทำความใส่ใจการรู้เห็นโดยความเป็นสันตติปัจจุบันข้อความข้างต้นอธิบายได้ว่ารูปที่กำลังเกิดขึ้นจริงในขณะปัจจุบันนั้นเป็นปัจจุบันที่ประกอบด้วยความเกิดขึ้นความตั้งอยู่และความดับไปไม่ใช่สันตติปัจจุบันคือปัจจุบันที่ต่อเนื่องจากอดีตที่เพิ่งดับไปหรืออัตตาปัจจุบัน คือปัจจุบันโดยระยะการแต่บุคคลสามารถรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยสันตติปัจจุบันเวลาเริ่มเกิดอุทพยายานต่อเมื่อยานี้แก่กล้าแล้วจึงสามารถรู้เห็นความเกิดดับโดยขณะปัจจุบันได้ ขณะปัจจุบันและสันตติปัจจุบันรูปที่ปรากฏทางร่างกายในขณะพองยุบนั่งเดินเหยียดคูรูปปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นจริงๆขณะเริ่มเกิดขึ้นของรูปเหล่านี้ชื่อว่าอุททะขณะหมดสิ้นไปชื่อว่าวยะรวมสองบทเป็นอุทพยะอุทพยายานคือการรู้เห็นเบื้องต้น และที่สุดของรูปแต่ละอย่างโดยไม่ปะปนกันโดยเริ่มรู้เห็นความเกิดดับของรูปต่อเนื่องเป็นสันตติปัจจุบันผู้เริ่มบรรลุอุททะพย า, ยานย่อมสามารถรู้เห็นอากัปกิริยาทางร่างกายที่แตกต่างกันเป็นคนละอย่างเช่นสภาวะพองต่างจากสภาวะยุบสภาวะยุบต่างจากสภาวะพอง สภาวะเหยียดต่างจากสภาวะคู่สภาวะคู่ต่างจากสภาวะเหียดสภาวะย่างเท้าซ้ายต่างจากสภาวะย่างเท้าขวาเมื่อยานนี้แก่กล้าแล้วผู้ปฏิบัติย่อมรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปที่เป็นขณะปัจจุบันโดยประจักษ์วสภาวะพองยุบ นั่งเดินเหยียดคู่เคลื่อนไหวเกิดดับเร็วมากเหมือนฟองน้ำที่เกิดจากมเมล็ดฝนที่ตกลงเป็นผิวน้ำแล้วแตกกระจายไปแม้ในขณะเห็นและได้ยินเป็นต้นเขาย่อมรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปที่เห็นเสียงที่ได้ยินจากขุปปะภาษาทารูกหรือโสตประสาทารูกเป็นต้นในขณะนั้น เขาไม่สามารถบริการมให้ทันความเกิดดับปรากฏในปัจจุบันขณะได้จึงควรรู้เท่าสภาวะเกิดดับที่ตนพบอยู่นั้นนอกจากนี้การรู้เห็นความเกิดขึ้นดับไปของเวทนาเป็นต้นโดยสัน ต, ติปัจจุบันหรือขณะปัจจุบันจะเป็นอุทภพยญาณยาเช่นเดียวกันจำแนกได้เป็นเวทนาปัจจุบัน คือความรู้สึกปรากฏในขณะเห็นได้ยินรู้กลิน่นลิ้มรสกระทบสัมผัสหรือนึกคิดเรื่องราวต่างๆสัญญาปัจจุบันคือความจำได้หมายรู้ที่ปรากฏในขณะนั้นวิญญาณปัจจุบันคือการรู้อารมณ์ทางทวารหกอันได้แก่การเห็นเป็นต้นสังขารปัจจุบัน คือนามารมอื่นนอกเหนือจากเวทนาสัญญาและวิญญาณอันเป็นการปรุงแต่งเพื่อทำเกิรียาเห็นและได้ยินเป็นต้นเช่นผัสสะการกระทบระหว่างจิตกับอารมเหมือนจิตเข้าไปหาอารมหรืออารมเข้าไปหาจิตเจตนาความตั้งใจเป็นการกระตุ้นให้จิตรู้อารมเหมือนวิ่งเข้าไปหาอารมหรือสั่งการว่าจงเห็น จงได้ยินวิตกความตรึกคือการน้อมจิตไปสู่อารมณ์วิจารความตรองคือการเคล้าครึงอารมณ์ปิติความอิ่มใจปัจติความสงบศรัทธาความเชื่อมั่นเลื่อมใสสติความระลึกรู้เท่าทันวิริยะความเพียรสมาธิความตั้งมั่น ปัญญาความรู้เห็นโดยประจักษ์โภคาความโลภโทสะความโกรธโมหะความหลงโดยสำคัญผิดว่ารูปนามเป็นสิ่งดีงามมานะความถือตัวอุทธะความฟุ้งซ่านทิฏฐิความเห็นผิดโดยสำคัญว่ารูปนามเป็นอัตตาตัวตนวิจิกิจชาความลังเลสงสัยในทางที่ผิด ดังข้อความในคำพีปฏิสัมพิธามากว่า 1. เวทนาที่กําลังเกิดขึ้นชื่อว่าเวทนาปัจจุบัน 2. สัญญาที่กําลังเกิดขึ้นชื่อว่าสัญญาปัจจุบัน 3. สังขารที่กําลังเกิดขึ้นชื่อว่าสังขารปัจจุบัน 4. วิญญาณที่กําลังเกิดขึ้นชื่อว่าวิญญาณปัจจุบัน 5. ขณะที่เกิดขึ้นของวิญญาณปัจจุบันนั้นชื่อว่าความเกิดขึ้น 6. ลักษณะความแปลปรวนชื่อว่าความดับไป 7. การรู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปชื่อว่าอุทัพยญาณลักษณะของเวทนาเป็นต้นโดยสันตติปัจจุบันเป็นการรู้เห็นความเกิดดับของเวทนาเป็นต้นนั้นโดยการสืบต่อในแต่ละขณะ จำแนกเป็นสันตติปัจจุบันของเวทนาปรากฏในขณะที่รู้สึกว่าทุกข์หรือสุขแตกต่างกันเช่นความสบายต่างจากความเมื่อยความร้อนความเจ็บปวดความชาในขณะที่ความสบายมีขึ้นต่อจากความเมื่อยที่หายไปความเมื่อยต่างจากความสบายในขณะที่ความเมื่อย มีขึ้นต่อจากความสบายที่หายไปสันตติปัจจุบันของสัญญาปรากฏในขณะที่จำได้หมายรู้รูปหรือเสียงเป็นต้นทีละอย่างสันตติปัจจุบันของสังขารปรากฏในขณะที่พยายามทำอกกับกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งทีละอย่างสันตติปัจจุบันของวิญญาณปรากฏในขณะที่รู้รูป หรือเสียงเป็นต้นทีละอย่างลักษณะของเวทนาเป็นต้นโดยขณะปัจจุบันเป็นการรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของเวทนาเป็นต้นเหล่านั้นเช่นความเมื่อยเกิดขึ้นและดับไปโดยสภาวะที่เกิดครั้งแรกครั้งที่สองและครั้งที่สามเป็นต้นปรากฏอย่างต่อเนื่องไม่ปราปนกัน โดยเหมือนเป็นจุดเล็กๆที่เกิดดับอย่างรวดเร็วแม้สัญญาเป็นต้นโดยขณะปัจจุบันก็เช่นเดียวกันในขณะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถบริการให้ทันความเกิดดับที่ปรากฏในปัจจุบันขณะได้จึงควรรู้เท่าสภาวะเกิดดับที่ตนพบอยู่เท่านั้นในคำพีปฏิสัมพิธามักยังจำแนกขันห้าออกเป็นทวารหก อารมณ์6วิญญาณหกภาษาหกและทวารหเป็นต้นทีละอย่างโดยพิศดารด้วยคําว่าชาตังจักขุปัจจุป น, นังจักขุประสาทที่กําลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบันชาตังโสตังป จ, จุป น, นังโสตประสาทที่กําลังเกิดขึ้นชื่อว่ารูปปัจจุบัน เป็นต้นในที่นี้จะไม่กล่าวไว้ตามนั้นทั้งหมดเพื่อไม่ให้เยินเยอะเกินไปบุคคลที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามโดยประจักษ์ในปัจจุบันตามในที่กล่าวมาแล้วยอมเข้าใจว่ารูปนามที่เกิดดับอย่างรวดเร็วนี้เมื่อยังไม่เกิดขึ้นก็มิได้มาจากที่ใดที่หนึ่งเมื่อเกิดขึ้นอยู่ก็มิได้ย้าย มาจากที่ใดที่หนึ่งเมื่อดับก็ไม่ได้ไปรวมตัวกันที่ใดที่หนึ่งเป็นสภาวะที่เกิดดับตามปัจจัยแล้วดับไปณนะตรงนั้นเองและรู้เห็นต่างไปจากเวลาก่อนปฏิบัติธรรมที่เข้าใจผิดว่ารูปที่ยังปราศจากความดับไปเช่นมือที่คูเข้ามาเป็นมือของตนในขณะก่อนจะคูขณะคู และขณะคู่เข้ามาแล้วแม้สภาวะพองยุบนั่งยกย่างเหยียบและสภาวะเห็นเป็นต้นก็เช่นเดียวกันการรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วนี้เป็นลักษณะของอุทภพย า, ยานที่แ ก, ก่กล้าการอนุมาณรู้ลักษณะเกะิด25้า และขณะดับ25โดยเหตุปัจจัยนอกจากนี้ในบางขณะผู้ปรารภความเพียรอาจอนุมาณรู้ลักษณะเกิด25คือความเกิด5คูณขันหและลักษณะดับ25ของขันหโดยเหตุปัจจัยดังข้อความในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามักว่า1 ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นของขันห้าย่อมรู้เห็นลักษณะ25 2. ผู้รู้เห็นความดับไปของขันห้าย่อมรู้เห็นลักษณะ25 3. ผู้รู้เห็นความเกิดขึ้นและดับไปของขันห้าย่อมรู้เห็นลักษณะ50ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันเพราะเป็นสภาพเกิดจากเหตุปัจจัย ว่ารูปเกิดขึ้นเพราะความเกิดของอวิชชาตัณหากรรมและอาหารสองแม้ผู้รู้เห็นลักษณะเกิดขึ้นอยู่ก็รู้เห็นความเกิดของรูปขันธ์สามผู้รู้เห็นความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ย่อมรู้เห็นลักษณะทั้ง5าเหล่านี้ลักษณะ5ประการที่รู้เห็นได้ในความเกิดขึ้นของรูปขันธ์ โดยเหตุปัจจัยคือ 1. รูปเกิดขึ้นเพราะมีอวิชชาในขณะทำกรรมเมื่อชาติก่อน 2. รูปเกิดขึ้นเพราะมีตัณหา 3. รูปเกิดขึ้นเพราะมีกรรม 4. รูปเกิดขึ้นเพราะมีอาหารที่กลืนกินในปัจจุบัน 5. ความเกิดขึ้นของรูปปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้อยู่ 1. ผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นความดับไปของรูปขัน์เพราะเป็นสภาพดับเหตุปัจจัยว่ารูปดับไปเพราะความดับของอวิชชาตันหากรรมและอาหาร 2. แม้ผู้รู้เห็นลักษณะดับไปอยู่ก็รู้เห็นความดับของรูปขันส์ 3. ผู้รู้เห็นความดับไปของรูปขัน์ ย่อมรู้เห็นลักษณะทั้งห้าเหล่านี้ลักษณะห้าประการที่รู้เห็นได้ตามความดับไปของรูปขันโดยเหตุปัจจัยคือหนึ่งรูปดับไปเพราะไม่มีอวิชชาเนื่องจากอวิชชาถูกขจัดโดยเด็ดขาดด้วยอรหัตตมรรคสองรูปดับไปเพราะไม่มีตัณหาสารูปดับไปเพราะไม่มีกรรม 4. รูปดับไปเพราะไม่มีอาหารที่จะกลืนกินในปัจจุบัน 5. ความดับไปของรูปปัจจุบันที่ตนกำหนดรู้อยู่พระบรมศาสดายัางทรงแสดงลักษณะเกิด5และลักษณะดับ5ไว้ในนามขัน4เหมือนกับรูปขันแต่มีข้อแตกต่างกันในลักษณะที่4ของเวทนาขันสัญญาขัน และสังขารขันเป็นเพราะความเกิดของภาษะเพราะความดับของภาษะและลักษณะที่สี่ของวิญญาณขันเป็นนามรูปสมุทยาเพราะความเกิดของรูปนามนามรูปนิโรธาเพราะความดับของรูปนามโดยประการที่กล่าวมานี้ ขันแต่และอย่างมีลักษณะเกิดห้าลักษณะดับ5รวมเป็นลักษณะ10ดังนั้นขันห้าจึงมีลักษณะเกิด25ลักษณะดับ25ลักษณะรวมเป็นลักษณะ50ลักษณะเกิดเป็นความอุบัติขึ้นของขัน5ลักษณะดับเป็นความแตกสลายของขัน5ผู้ที่กำหนดรู้สภาวะธรรมปัจจุบัน ย่อมเห็นประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไปของขันที่กำหนดอยู่และในบางขณะอาจอนุมานรู้ลักษณะดังกล่าวของขันอื่นๆในระหว่างปฏิบัติธรรมการอนุมานรู้ดังกล่าวไม่ใช่การเห็นประจักษ์เป็นเพียงความเข้าใจได้ว่ารูปเกิดขึ้นเมื่ออวิชชาเป็นต้นยังมีอยู่และดับไปเมื่ออวิชชาเป็นต้นดับไปแล้วดังนี้เป็นต้น ดังหลักฐานในคำภีมหาดีกาของวิสุทธิมัรและมีคำอธิบายตามลำดับดังนี้ 1. ่อันหนึง่งในเรื่องนี้ลำดับแรกคนกล่าวว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันพึงมีได้ด้วยอัตตาปัจจุบันและสันตติปัจจุบันไม่พึงมีด้วยขณะปัจจุบัน 2. การรู้เห็นความเกิดดับโดยขณะปัจจุบันไม่พึงมีตามความเห็นของบุคคลเหล่านั้นข้อความว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันพึงมีได้ด้วยอัตตาปัจจุบันและสันตติปัจจุบันไม่พึงมีด้วยขณะปัจจุบันหมายความว่านามขันที่เป็นลักษณะปัจจุบันเป็นวิปัสนาจิตุบาทที่รู้เท่าทันสภาวะธรรมปัจจุบัน การรู้เห็นความเกิดดับของจิตตุบาทปัจจุบันจึงควรรู้ด้วยจิตตุบาทดวงเดียวกันนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เหมือนกันทำปลายนิ้วเดียวกันให้จดกันดังนั้นจึงมีผู้เห็นว่าผู้ปฏิบัติธรรมไม่สามารถรู้เห็นความเกิดดับของนามขันได้โดยขณะปัจจุบันได้แม้ความเห็นข้างต้นจะมีเหตุผลที่สมควร แต่ขัดแย้งกับพระบาลีที่ระบุถึงขณะปัจจุบันว่าแม้ผู้รู้เห็นลักษณะเกิดขึ้นอยู่ก็รู้เห็นความเกิดของรู ป, ปขันธ์แม้ผู้รู้เห็นลักษณะดับไปอยู่ก็รู้เห็นความดับไปของรู ป, ปขันธ์ทำเหล่านั้นปรากฏอยู่แก่เขาย่อมเกิดขึ้นปรากฏอยู่ย่อมตั้งอยู่ปรากฏอยู่ย่อมดับไปคำว่าปสันโต รู้เห็นอยู่สำเร็จรูปมาจากทิศธาตุบวกอออ่างปัจจัยบวกอันตะปัจจัยเป็นคำแสดงปัจจุบันนาการโดยขณะปัจจุบันเพราะอันตะปัจจัยในคำนี้ลงในปัจจุบันนาการด้วยสูตรในกัจจยนะวยากรว่าวัตมาเนมานันตาเมื่อปรากฏปัจจุบันนาการลง มานะและอันตะปัจจัยคำว่าวิธิตาปรากฏอยู่สำเร็จรูปมาจากวิท ธ, ธาตภาเวมีปรากฏบวกต่อเตา่าปัจจัยในปัจจุบันการด้วยสูตรในกัจยนาวยกรณ์ว่าพุทธคมาทิเถกัตตาริ เมื่ออาัฐาของพุทธทาตและขมุทาตเป็นต้นปรากฏอยู่ให้ลงตะปัใจจัยในกัตตุสาธนะในคำพีอัธกถาอธิบายเรื่องนี้ว่าขณะเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของนามธรรมา ท, ที่เพิ่งเกิดดับไปย่อมปรากฏแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหมือนกำลังเกิดขึ้น ตั้งอยู่ระดับไปดังนั้นจึงตรัสว่าวิธิตาอุปชันติปรากฏอยู่ย่อมเกิดขึ้นเป็นต้นมติดังกล่าวจึงขัดแย้งกับพระบาลีและคำอธิบายในคำพีอัตถกถาอีกทั้งไม่สอดคล้องกับประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติธรรมตามที่พระดีกาจารย์ได้แสดงคัดค้านไว้ว่าหนึ่ง อาจารย์ท่านอื่นกล่าวว่าในการรู้เห็นความเกิดดับโดยเหตุปัจจัยผู้ปฏิบัติธรรมย่อมรู้เห็นว่าเวทนาเป็นต้นมีปรากฏอยู่เพราะอวิชชาเป็นต้นเป็นเหตุโดยทั่วไปในการทั้งหมดไม่จำแนกเป็นอดีตการเป็นต้นมิใช่เห็นประจักษ์ความเกิดขึ้นและรู้เห็นว่าเวทนาเป็นต้นนั้นไม่มีปรากฏอยู่ เพราะไม่มีอวิชชาเป็นต้นมิใช่เห็นประจักษ์ความดับไปแต่ในการรู้เห็นความเกิดดับโดยปัจจุบันเขาย่อมรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบัน 2. ความเห็นนั้นสมควร 3. เพราะเมื่อเขากำหนดรู้รูปธรรมและนามธรรมว่าเกิดขึ้นและดับไปโดยความเป็นสันตติปัจจุบัน ความเกิดดับย่อมปรากฏโดยขณะปัจจุบันด้วยการบรรลุถึงความแก่กล้าชัดเจนของวิปัสสนาญาณในเมื่อภาวนามีกำลังมากตามลำดับข้อความนี้หมายความว่าการรู้เห็นความเกิดดับของนามขันโดยเหตุปัจจัยว่าเวทนาเกิดขึ้นเพราะยังมีอวิชชาเวทนาดับไปเพราะไม่มีอวิชชา ไม่ใช่การเห็นประจักษ์ความเกิดดับของนามขันปัจจุบันอย่างแท้จริงเป็นเพียงการอนุมานรู้โดยสามัญทั่วไปไม่แยกแยะความเป็นอดีตอนาคตหรือปัจจุบันว่าเวทนาเกิดขึ้นเ พ, นเพราะยังมีอวิชชาเวทนาดับไปเพราะไม่มีอวิชชาเป็นต้นแต่การรู้เห็นความเกิดดับของนามขันปัจจุบันเท่านั้นจึงเป็นการเห็นประจักษ์อย่างแท้จริง ความเห็นที่พระฎิกาอาจารย์เอ่ยถึงนี้พบในคัมภีอัตกถาของปฏิสัมพิามักพระฎิกาจารย์ได้คัดค้านความเห็นนั้นแล้วสนับสนุนความเห็นของอาจารย์ท่านอื่นซึ่งได้รับการยอมรับทั่วไปเป็นสมานะจันผู้ที่รู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันโดยประจักษ์ได้แล้วย่อมอนุมานรูปนามที่เป็นอดีต และอนาคตได้ว่าเหมือนรูปนามปัจจุบันที่ตนพบเห็นโดยในว่ารูปนามในอดีตเกิดดับเหมือนรูปนามในปัจจุบันแม้รูปนามในอนาคตก็เกิดดับเหมือนรูปนามในปัจจุบันดังนั้นการรู้เห็นความเกิดดับของรูปนามปัจจุบันจึงเป็นหลักสําคัญในเรื่องนี้ดังคำมีมหาดิกาของวิสุทธิมัคกล่าวว่า โดยแท้จริงแล้วบุคคลรู้เห็นความเกิดดับของสภาวธรรมปัจจุบันแล้วต่อจากนั้นจึงควรนำในไปคืออนุโมทนาโดยอ้อมในสภาวธรรมที่เป็นอดีตและอนาคตเมื่อผู้ปรารบความเพียรสามารถรู้เห็นความเกิดดับอย่างรวดเร็วของรูปนามในปัจจุบันได้แล้ว ย่อมเข้าใจว่าสภาวะธรรมที่ไม่มีอยู่ก่อนย่อมปรากฏขึ้นใหม่สภาวะธรรมที่ปรากฏแล้วย่อมดับศูนย์ไปเขารู้สึกว่ารูปนามที่มาปรากฏใหม่ๆซึ่งดำรงอยู่เพียงชั่วรณะแล้วก็ดับไปอย่างรวดเร็วเหมือนฟองน้ําที่เกิดจากมเมล็ดฝนตกบนผิวน้ําย่อมแตกไปโดยเร็วรอยขีดที่ บนผิวน้ำชั่วขณะแล้วก็สมานเข้าเหมือนเดิมสายฟ้าที่แลบออกจากกรีบเมฆหายไปด้วยความรวดเร็วหรือเสียงเครื่องยนต์ที่กำลังดังแล้วหายไปด้วยความรวดเร็วเขาเห็นสังขารเหล่านั้นปรากฏในยานว่าไม่มีแก่นสารเหมือนทองที่หนักเล่นกลเสกขึ้นหรือความฝันที่คิดว่าเป็นเรื่องจริง หรือวงกลมของดุลไฟที่แหวงในเวลากลางคืนหรือนครหรือหมู่บ้านที่ถูกเนรมิตขึ้นหรือตอมน้ำหรือปลีกล้วยเป็นต้นเขาชื่อว่าบัลลุตรุณวิปัสนาคือวิปัสสนาระดับต้นซึ่งมีชื่อว่าอุทพยานุปัสนาคือปัญญารู้เห็นความเกิดดับและได้ชื่อว่า อรัตถวิปัสนาคือผู้เริ่มปรารบวิปัสนาเพราะเริ่มวิปัสนาภาวนาดังข้อความที่กล่าวว่าด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเพียงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุวิปัสนาญาณอย่างอ่อนอันดับแรกชื่อว่าหนึ่งด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเพียงนี้ผู้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุวิปัสนาญาณอย่างอ่อนอันดับแรกชื่อว่าอุทัพยานุปัสนา ที่แทงตลอดลักษณะ50ท้วนโดยอาการที่เห็นประจักษ์ว่าสภาวธรรมที่ดับไปย่อมเกิดขึ้นและสภาวธรรมที่เกิดขึ้นย่อมถึงความดับไป 2. ซึ่งเป็นเหตุให้บุคคลนับได้ว่าเป็นผู้เริ่มปรารบวิปัสนา 1. การพิจารณาที่ดำเนินไปโดยเนื่องด้วยการพิจารณาโดยความเป็นกลุ่มเป็นต้น ไม่ชื่อว่าวิปัสสนาโดยตรงสองแต่ปัญญาที่ดำเนินไปด้วยการรู้เห็นความเกิดดับเป็นต้นเท่านั้นจึงมีชื่อดังกล่าว